ทรงเทศเมื่อคืนวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516โปรโดคณะผ้ า, าป่าของคุณจูนสอนสงครามโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมป น, นวัดป่าบานตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี น, นี่จะอธิบายธรรมะป่าให้ฟังปรินาตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังคำว่าตั้งใจคือทำคือทาความรู้สึกไว้จำเพาะัว การจดจาเนื้อเนื้อทํานั้นไม่จําเป็นคุยคอยสังเกตเฉพาะจิตดวงรู้นี้ให้อยู่กับความรู้ของตัวเองธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้นั้นๆนแล้วนี้ ความสืบเนื่องกันไปโดยลาดับเมื่อความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันไปไม่ขาดว่าขาดตอนกจซึ่งมีหน้าที่ําธุระเพียงอย่างเดียวย่อมมีความสืบต่อแห่งความรู้ของตนไปโดยลำดับแล้วทำให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรม ไม่ใช่ฟังเพื่อจดจำคำพูดจำเรื่องจำราวอันนั้นเราเรียนาตามแบบตามแผนตำลับตำราก็ได้การฟังธรรมที่ให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นดําเพาะหน้านั้นฟังดังที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดังที่ท่านแสดงไว้ในหลักของการฟังเทศมีอานิสงส ผู้ฟังทมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจในสิ่งนั้นชัดจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้และจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสมีห้าประการ คำว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นก็คือเนื้ออัดเนื้อทำรรที่เราเคยได้ยินได้ฟังในสฐานที่ต่างๆกันนั้นไม่เหมือนกันตามแต่อุบายวิธีของท่านผู้สแสดงนั้นจกสแสดงไป ตามจรลลิณนิสัยและความสามารถของตนเราผู้ฟังจึงได้ฟังแปลกๆต่างๆกันไปส่วนที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจชัดขึ้นไปเป็นลำดับอย่างไรก็ตามหลักของการฟังธรรมเพื่อสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันแล้วต้องตั้งจิตให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่สายแสไป กับสิ่งใดและอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากทำความรู้สึกอยู่กับตัวนี้เท่านั้นแล้วธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้ของเราที่ตั้งไว้แล้ ว, วดวยดีและยิ่งได้ฟังชัดเจนนึกทราบซึ่งยิ่งกว่าที่เราตั้งใจฟังแล้วส่งจิตออกมาภายนอกวันนี้คณะดูสิตทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจาก นครหลวงซึ่งไกลแสนไกลถ้าไม่สละเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็ไม่อาจมาได้เพราะอำนาจแห่งความเชื่อความน้อมใสเจตนาที่มีความมุ่งมั่นต่ออจต่อธรรมต่อคุณงามความดีทั้งหลายถึงได้สละหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยตลอดชีวิตแม้จะเป็นจะตายยังไงก็ได้มอบแล้วกับ ความมุ่งมั่นหรือเจตนาที่ตั้งไว้แล้วนี้เป็นอันวา่ามให้เคลื่อนคลาดไปได้ถึงวันเวลาแล้วก็ต้องมาเพราะความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญการบำเพ็ญทานบารมีท่านทั้งหลายก็บำเพ็ญเต็มทัติความสามารถเรื่อยมาตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะจนกรทั่งปัจจุบันและยังจะต้องบำเพ็ญไปอีกตามเจตนาของตนจนอวสานสุดท้าย แห่งธาตแห่งขันเรียกว่าทานารมีผลที่เกิดขึ้นจากทานารามีก็คือบุญจะต้องส่งเสริมผู้บำเพ็ญ น, นั้นให้รับความสุขความเจริญตามการสถานที่ที่ตนไปอยู่ในสถานที่ใดเวลาใด นี่เรียกว่าเป็นเพื่อนสองของใจเพราะใจเป็นผู้จะต้องไปไปอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งธารบารมีจึงเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้รับความสุขความเจริญความสะดวกสบายในขณะอยู่และไป แล้ววันนี้ฟังการอบรมจิตใจและเป็นภาคปฏิบัติที่เรียกว่าจิตภาวนาไปในตัวอีกด้วยเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมส่อมาถึงใจที่เป็น นายหัวหน้าที่จะทำให้กายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางดีและชั่วย่อมขึ้นอยู่กับใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมในทางถูกต้องทางถูกต้องนั้นนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกจะหาทางใดที่จะเสมอเหมือนได้ทางนี้เป็นทางนิยานิกะทํา นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายและความผิดทั้งหลายอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งโทษที่เราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาจึงควรได้รับการอบรมการประพฤติภายนอกการพูดทางวาจาย่อมสอกมาจากใจเป็นสิ่งสัมผัสเมื่อใจขาดการอบรม สิ่งที่สบายออกมาต้องต้องทำการจีดขวางแก่ตดเดงและผู้อื่นท่านเรียกว่าผิดสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องนำมาซึ่งความทุกข์เสมอไปแต่เพราะวันนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องการอบรมจิตใจในเราทั้งหลายพอทราบได้บ้างว่าทำไมจึงต้องอะจงต้องอบรมหรือว่าอบรมบ่มอินทรีย์อบรมจิตใจ เพราะใจเรายังดิบไม่สุขเหมือนใจพระพุทธเจ้าจึงต้องในการอบรมบ่มอินทร์เสมอบ่มไปทุกวันทุกเวลาบ่มด้วยศีลด้วยทานบ่ด้วยบ่มด้วยการภาว น, นาเพื่อให้จิตใจมีความชุ่มเย็นผลที่ปรากฏขึ้นจากความอบรมนั้นก็เป็นความสุข เมื่อตะกี่นี้ได้พูดถึงการไปของจิตจิตนี้มีการหมุนไปอยู่เสมอเพราะมีสิ่งที่จะทำให้จิตหมุนอยู่ภายในสิ่งที่ทำให้จิตหมุนอยู่ภายในนั้นท่านเรียกว่าสังสารจักรหรือจะเรียกว่าวัตจักรก็ได้ที่ทำจิตให้หมุนอยู่เสมอใครจะทราบ ก็ตามไม่ทราบก็ตามในความหมุนของจิตให้เป็นไปในสถานที่ต่างๆลึก เ, เกิดในกำเนิดต่างๆนี่จำได้หรือไม่ได้ก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเรื่องหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วต้องหมุนตัวไปอยู่เสมอและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยาเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้ หลักธรรมชาติแห่งความเป็นไปของจิตได้อย่างชัดแจ้งหรืออย่างแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้จะจิตแม้จิตจะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ผู้ผู้นั้นย่อมไม่ทราบวิถีความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปของจิตว่าคิดไปในแง่ใดบ้างและผลแห่งความคิดนั้นจะทำจิตให้มีความสุขความทุกข์ประการใดบ้าง เราไม่มีทางทราบได้เพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพวกเราจึงต่างกันที่เรียกว่าสุกและดิบผลไม้ที่ดิบเป็นอย่างไรบ้างรสเป็นอย่างไรสุกแล้วรสเป็นอย่างไรมีพอเทียบได้กับจิตที่จิตที่ยังดิบคือยังไม่ได้รับการอบรม ให้มีรถมีชาติพอตัวทั้งตัวจะรับความเสวยอันเป็นที่พึงพอใจบ้างและให้เป็นที่พึงพอใจโดยสมบูรณ์เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอบรมจนเต็มความสามารถและแสดงผลขึ้นมาอย่างเต็มภูมิจึงเป็นผู้มีความฉเฉลียวฉลาดสามารถรู้ในวิถีจิต จะเป็นไปในทางใดพระองค์ทราบได้โดยตลอดทั่วถึงจึงสมนามว่าเป็นศาสดาของโลกเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติของจิตว่าหมุนตัวไปอย่างไรบ้างหมุนไปกับเรื่องอะไรและอะไรเป็นผู้พาให้จิตใจหมุนจนได้ให้ชื่อให้นามว่าสังสารจักรหรือวัาตจักร โดยมากคําว่าวัตจักรจะเข้าใจแบบภายนอกว่าโลกหมุนแผ่นดินที่หมุนตัวไปนั้นเป็นเรื่องอันหนึ่งนี่ว่าโลกหมุนนั่นอย่างหนึ่งโลกหมุนนั้นไม่ทําความทุกข์แก่ตัวเองเหมือนกับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายหมุนซึ่งทําความทุกข์ให้แก่ตนเองเป็นลําดับโลกชนิดนี้หรือใจที่ชนิดที่เป็นวัตจักรนี้ จึงควรได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการอบรมเพื่อความเปลี่ยนแปลงแม้จะหมุนไปเหมือนโลกทั่วไปก็ตามแต่ก็ให้หมุนไปในทางที่ถูกที่ดีไม่ทำความเดือดร้อนวุ่นวายจากตนเองเพราะความหมุนของจิตที่เป็นไปในที่นั้นๆหรือด้วยเหตุนั้นๆการอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็น ความหมุนของใจก็ลดกำลังลงไปเป็นลำดับผู้ปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาจะค่อยทราบเรื่องความหมุนของตนเข้าไปมากน้อยเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบเรื่องของพระองค์เองในขณะที่บำเพ็ญตลอดถึงได้ตรัสรู้แล้วเราผู้เป็น <c oughs> พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็เดินทางสายเดียวกัน และปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นตัววัตจักเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอุบายวิธีที่จะแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นให้หมุนปรนทางที่ถูกก็เป็นทำแท่งเดียวจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วขนาดที่จิตสงบเพราะอุบายวิธีต่างๆที่ท่านเรียกว่าภาวนา ขณะนั้นจิตสบายจิตหยุดการหยุดงานคือหยุดยดหยุดความคิดความปรุงต่างๆหมาว่าจะปรุงเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการใดขณะที่จิตสงบตัวลงไปนั้นเป็นการพักงานของจิตการพักงานไม่ว่าจะพักงานในทางร่างกาย ไม่ว่าจะพักงานในทางจิตใจย่อมไม่รับความสบายเสมอเราทำงานมากๆทำงานหนักๆถ้ามันมีการพักผ่อนด้วยแล้วก็ทนไม่ไหวเพราะความทุกข์มีมากเนื่องจากงานที่ทำใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความคิดความปรุงอยู่เสมอซึ่งเป็นงานของจิตจิตจะหาความสงบเยือกเย็นหรือสบายไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบ ตัวลงไปแล้วก็ทราบว่าเวลานี้เราสมายเพราะหยุดทํางานนี่เพียงเท่านี้ก็ทราบว่าวัฏตะได้ระงับตัวลงไปในขณะนั้นกับความพยายามของเราที่จะให้ยิ่งกว่านั้นยังไมีตามจดิตนิสยัยหรือตามความมุ่งมั่นของผู้บําเพ็ญจึงต้องเร่งความภาคเพียนเข้าไปโดยลําดับจิต ด, ดุจพักชั่วคราวแล้วพิจารณาต่อไป รูมายวิธี ant, ที่จะให้จิตได้รับความสงบจะสงบด้วยอารมณ์ใดก็ตามทําบทใดก็ตามหรือวิธีการใดก็ตามเราย่อมนำวิธีการนั้นๆมาใช้ด้วยความมีสติควบคุมใจเสียงอะไรคุ๊กกับุ๊กกะนดับเสียง เตียงก๊ส hmm. kind of ๊เกิดอะไรตัางเตียงสมัยมใหม่เมื่อเราได้รับการอบรมเพื่อความสงบอย่าจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอผลคือความสุขความสบายภายในใจจะแสดงให้เราเห็นโดยชัดเจน แล้วจิตหมุนไปทางใดหนักในเรื่องอะไรก็ย่อมทราบแล้วมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขกันได้เป็นลำดับมีเรียกว่าเราเรียนวิชาวัตตะเราเรียนเรื่องวัตะเรียนอยู่ที่หัวใจของเราวัตะนี้เป็นสิ่งสําคัญเ ม, มื่อหมุนไปในทางใดย่อมก่อคํากระทบกระเ ท, ะทือนแก่จิตใจของเราแก่ตัวเองว่าไงไ ง, ไง่ายๆพูดอย่างนั้นเสมอไป ทันจึงสอนให้อบลมในทางที่ดีเหมือนกันน้ํามันเครื่องหอลอรื่นหมุนไปทางไหนก็ให้เป็นสุขะโตคือไปดีเรื่องความหมุนนี้เมื่อมีเชื้ออยู่ภายในจะต้องหมุนโดยแน่นอนใครจะลบล้างไม่ได้มีเป็นหลักธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้ท่นเรียกว่าธรรมชาติแท้ซึ่งไม่มีอะไรลบ ล้างได้ความสำคัญมั่นหมายก็ดีความเชื่อไม่เชื่อก็ดีไม่สามารถจะลบล้างธรรมชาติหรือหักห้ามธรรมชาตินี้ได้นอกจากจะปฏิบัติให้เห็นความจริงของวัตจักและทำลายสิ่งที่ทำให้หมุนนี้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นธรรมชาตินี้ก็หยุดไปเอง เมื่อหยุดแล้วท่านเรียกว่าจิตสุขย่อมควรแก่การงานและธรรมทั้งหลายจิตที่สุขรอบตัวแล้วย่อมเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าธรรมทั้งแท่งก็ได้ไม่ผิดเด็กจะคุยกันมากนะั่งนะกรรมฐานในประเทศมีเสียงอะไรแล้ว มันล้มไปดั น, นทันทีอ่ะไม่เป็นท่าละ่ะเพียงแต่แยกออกมาพูดนิดนึงเท่านี้ก็ความดีที่เราได้อบรมมาทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องตรุงแต่งหรือส่งเสริมเราให้เป็นคนดีไม่ใช่ทะาอินพับพรมที่ไหน จะมาสร้างสรรหรือปรุงแต่งให้เรามีรูปสวยรูปงามให้เป็นคนแนเฉียวเฉลาดมีสมบัติปิ้งคารบริวารมากมูลมีความสุขความสมายความจริงแล้วก็คือเราเป็นผู้สร้างตัวเราเองเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้บำรุงตัวเราเองเมื่อบำรุงจิตใจให้เป็นไปในทางอัดทางธรรมแล้ว ในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนงามอย่างลึกซึ้งงามรูปร่า ง, งร่างกายนี้งามประเภทเป็นงามประเภทหนึ่งทา ม, มีสีมีธรรมเป็นเครื่องประดับแล้วความงามในส่วนร่างกายนี้ก็เด่นขึ้นอีกเหมือนกันกับดอกไม้ที่มีรูปสวยและมีกลิ่นหอมด้วยใครก็ต้องการ ความงามจึงมีงามนอกงามในงามนอกคืองามรูปร่างงามในคืองามด้วยความประพฤติอัธยาศัยแล้วความงามในนี่แหละเป็นเครื่องที่จะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้มีความสนใจเคารพนับถือได้มากยิ่งกว่างามภายนอกถางงามทั้งสองประเภทได้เข้ากลมกืนเป็นอันเดียวกันแล้วก็ยิ่ง เพิ่มคุณค่าขึ้นอีกมากมายท่า น, นท่านจึงสอนให้อบรมตัวให้เป็นผู้งามอย่างลึกซึ้งคืองามด้วยความประพฤติงามด้วยศีลด้วยธรรมความงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ยังจะเป็นเชื้ออันสาคัญที่จะส่งไปให้เป็นผู้งามในโลกหน้าอีกด้วยเพราะโลกหน้านั้นยังไม่มีสิ้นสุดได้ไง่าย เราต้องอาศัยคุณงามความดีนี่เป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเบียงหล่อ เ, เลี้ยงจิตใจดวงที่หมุนนี้ให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีมีความสุขภายในตัวเพราะการั่งสมไว้แล้วเกิดสถ า, านที่ใดคติใดก็เป็น ผู้ดีเป็นผู้มีความสุขไม่จนกราบนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญตัวด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเพราะท่านเคยเห็นผลมาแล้วดังท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีดังที่กล่าวมาดังที่เป็นมาอยู่นี้ ก็คือว่าเป็นผู้สั่งสมสเสบียงเป็นผู้สั่งสมคุณสมบัติเข้าสู่ภายในใจหรือโลกนี้ก็เย็นสบายแะไปโลกหน้าก็ไม่เสียหวังมีหวังอยู่เสมอเป็นผู้มีหวังอยู่ทั้งทั้งโลกนี้และโลกหนา ยิ่งได้รับการอบมรมภาวนาให้จิตมีความสงบเยือกเย็นและมีความแยบยลขึ้นเป็นลำดับๆด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดภายในตัวอยู่ไหนก็เห็นเพราะเรื่องอยู่กับตัวใจอยู่กับตัวความรู้อยู่กับตัวความประพฤติอยู่กับตัวกิเลสอาสวะอยู่กับตัวหมดไปมากน้อยทราบด้วยตัวเองและหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ยิ่งทราบได้ชัดว่าสิ้นแล้วเรื่องวัะ ไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจให้หมุนอยู่แล้วนั่นหละท่านเรียกว่าจิตสุขโบมเต็มที่แล้วก็สุขแต่จิตสุขนี้ไม่เสียไม่เน่าไม่เลนไม่เละเหมือนกับผ ล, ลไม้ต่างๆกลายเป็นอาการที่กะทำไปเป็นอาการที่กะจิต หรือไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลามาเวลาไม่มีสมมติอันไรเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายเป็นสุขด้นๆอยู่ตลอดไปนั่นแหละที่ท่านเรียกว่านี้พ่านเที่ยงกระมายถึงจิตที่หมดวิปริณา ม, มาทำเรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาพ า, ายตัวแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งนี่ก็ครอบคุณงามความดี ที่เราได้สั่งสมมาเป็นลาดับบาจนกระทั่งมีกำลังเต็มที่แล้วทำจิตให้เป็นอย่างนี้ได้นักกรุปนานนำไปที่แกนาะพื่ปฏิบัติากำจัดสิ่งใดที่เป็นภัยแก่จิตใจให้ค่อยหมดไปโดยลำดับความสุขความเจริญเราไม่ต้องไปถามที่ไหนจิตที่ไม่มีความสุขก็เพาะความทุกข์เข้าครอบงําเท่านั้นหมดแก้สิ่งเหล่านี้ออกได้แล้วความสุขก็มีอยู่กับจิตโดยสมบูรณ์จึงข อ, อยุดจิต